นี่มันนึกแปลกก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อเช้านี่แหละดูคนตอนเย็นนี่ก็ดูเด็กแล้วพอดีพวกนี้ก็ไปก็เอาอีกเอมันเลื่อยมาแล้ววันนี้ว่ามันเหนื่อยจะตายนะตายว่ากันลงไปกับมาอะไร น, น, น, นั่งน้าหนีวะไม่ยอมไปพูดคํานั้นคํานี้ยุ่งอยู่น่ะบาพูดอะไรนั่ น, น, น้านีบอกให้ไปเนี่ย มาขอ น, นั้นขอนี่เรื่อยคำพูดติดต่อกันเรื่อยเราก็เลยเข้าห้องปุ๊บปิดประตูซะนั่นสิหนีต่อหน้านีกย่างอัศจรรย์อะไรนันสามแดนโลกธานนี้เราไม่เห็นอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าทำะอืมาทำได้ทุกอย่างในวงของเหตุผลแล้วเราทำได้ทุกอย่างไม่ได้มีที่บรรูปหน้าปะจมูกนั่นมีไม่ได้พังนั้นเลยทาเป็นอย่างนั้นนี่ เหตุผลลงตรงไหนต้องเป็นลงตรงนั้นนี่ก็บอกว่าเหนื่อยแล้วร้ายพากันกลับไล่สองคนสคนก็ไม่กลับตัองพูดคำั้นเขาหนีนอาว่าพูดอะไรนักหน า, าได้บอกให้ไล่บอกให้ลงแล้วนี่ังไงกันนี่ยังต่อเรื่อยอยู่ไม่หยุดแล้ก็ถามกล่องเทพกล่องเทปกล่องลายต่ออะไรยุ่งไปหมดเลยเขาเลยเข้าในห้องนี่เข้าใจว่าเราจะเอาเทพมาให้สิอะไรก็ไม่รู้มนุษย์หาประมาณไม่ได้ การต้อนรับแขกรับคนเราก็รับพอประมาณแต่ธาตจริญขันั้นเลยนะั้นมันก็เลยไม่ได้เรารู้ใครจะไปรู้ดียิ่งกว่าเรารู้เราในธาตในขันของเราเองเราแบบดือด้ อ, ด, อด้า น, า น, านมาใส่ได้อย่างไงภาลายนี้หนักขึ้นหนักขึ้นเพียงธาตขันเป็นขนาดนี้มันก็ถ้าจะพูดแบบโลกๆมันก็อินนาอาใจแล้วที่จะรับภาระต่อไป อยู่ลำพังคนเดียวมันก็เป็นปกติของคนคนเดียวประครับประคองประคองกันไปแล้วภาระมีมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องแบกต้องหามมันก็ต้องเพิ่มภาระเขาอีกหนักเขาอีกชำรุดลงอีกเรื่อยๆในธาตุไว้ผันธุ์ก็เองเคราะฆ์โลกก็สงฆ์ก็เท่าที่สงฆ์ก็ได้แต่นั้นเลยนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้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 มันจะทุกข์จะยากลําบากขนาดไหนก็ตามให้มันทุกข์ยากลําบากอยู่ในกฎของเหตุของผลการทุกข์ยากคือการต่อสู้กับสิ่งที่ขัดขวางต่อเหตุผลอัตชั่งทั้งหลายนั่นเอากันตรงนั้นเดีอันนี้มันเป็นนิสัยสันดานของกิเลสที่มันฝังใจอะไรก็มีแต่ความยากความลาบากไปทั้งหมดพอจะก้าวเข้าสู่ความเพียรถูกจิตถูกขวางแล้วหาที่ก้าวเดินไม่ได้เพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไร ที่ได้พูดช้ำซ้ำซากๆพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนให้รู้เหตุรู้ผลรู้โทษรู้คุณของระหว่างธรรมกับกิเลสมันขัดมันแย่งกันอย่างไรบ้างในหัวใจเราดวงเดียวนี่ทำท่านก็พูดไว้กลางๆตามตำลับตำลานในกำปีที่จะแยกแย่ออกมาทุกแหน่ตุ้มุมอันนี้ท่านก็ไม่ได้แยกว่าไว้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติตัวเองมันจะรู้เองอยังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่าน อธิบายไว้แล้วเราได้เขียนไว้แล้วในประวัติหรือในปัญหาว่ธรรมที่ไม่เคยลูกก็เห็นเคยเกิดเคยมีก็ปร า, ากฏขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดมีถอมยมย่มีว่ามีตอนเรื่อยอ ย, อย่างนั้นตลอดนั่นว่าะลุกซึื้อกว้างขวางมากมาย ท, าท่านทึงได้เทียบว่าธรรม ท, ที่มาในแบบแผนตำหนัดตำร า, ำาที่จดจารยกไว้นั้น เทียบกับน้ําในตุ่มเท่านั้นไม่ได้มากอะไรเลยท่านวะที่นอกจากนั้นทำที่ไม่ได้มาในในกรรมพีเวลานั้นเทียบกับน้ามหาสมุทรสุดสาครฟังซิเรากราบสนิทเลยนี่มีอะไรมากีดมาขวางทำทั้งหลายไม่ให้ออกแสดงออกตามความกิงของตนก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเมื่อเปิดกี่ไปแล้วทําไมทำจะไม่ปรากฏขึ้นมา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 ทั้งเหตุทั้งผลมีตลอดเวลาเหมือนกันหมดนี่แล้วธรรมชาติที่นอกจากเหตุจากผลไปคือทำล้วนล้วนนั้นก็มีอยู่แล้วนั่นเม้นมีอยู่สามขั้นสามวักคือเหตุแห่งทําทั้งหลายหนึ่งผลแห่งทําทั้งหลายหนึ่งแล้วทำล้วนล้วนที่ออกจากเหตุจากผลนี้ไปแล้วนั้นหนึ่งนี่มีอยู่แล้วทั้งสามประเภทนี้ก็มีแต่กิเลสตัวรามกจกเปรตนั่นแหละ มันปิดมันบังไว้หมดไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดมันไม่ให้เห็นมันกล่อมแต่สัตว์โลกทั้งหลายให้จมอยู่กับมูดกับพูดของมันมูดพูดของมันเป็นโอสถสําหรับโลกทั้งหลายที่ถูกกล่อมไม่ทราบวันนั่นคือมูดคือพูดเลยเห็นเป็นของดิบของหนีไปเสีหมดเพราะฉะั้นโลกจึงส่งเสริมกัรใครอยากจะส่งเสริมทุกก็ทราบกันอยู่แล้วทั่วโลกนี้ว่าเป็นทุก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 ความโกรธความโหมะโถโซมันก็เป็นไฟโมหะสูงอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็เป็นไฟท่านก็ บ, บอกไปแล้วนี่คือความจริงความจำปลอมที่มันแทรกเข้าไปในนั้นมันปิดบางห้มงหอวันนั้นล่าค้าก็เป็นของดีโทสะเป็นของนีโมหะเป็นของดีไม่งั้นโลกไม่สนใจกับสิ่งวันนี้ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายกับสิ่งวันนี้ไม่เสาะแสวงสิ่งเหล่านี้ข้อธรรมชาติที่ให้เสาะมีสภาพที่ให้ดิ้นรนบังคับให้ดิ้นรนมันมีบังคับให้ติดมี มันทําให้จมมีนั่นมันถึงได้ติดได้จมถึงได้เสาะได้แสแวงถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายแต่ ท, ท, ทั้งๆติดดิ้นรนกระวนกระวายก็ไม่เห็นทางออกและยังไม่เห็นโทษของมันอีกด้วยถ้าเห็นก็แยบเดียวเหมือนฟ้าแมบเท่านั้นมันปิดไว้ขนาดนั้นแล้วไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นได้เลยนี่แหละสิ่งจอมปลอมมันปิดอยู่อย่างนี้ไม่มีใครที่จะเปิดหน้ามของมันความชั่วช้าละโมกความปิดบังของมันความมืดบอดของมัน ที่ปิดบังหัวใจสัตว์ได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายเท่านั้นนังนั้นจมอยู่กับมันหมดจมมากจมน้อยหนาบางในความปิดบังหัวหอนั้นมีด้วยลำดับนาตั้งแต่พื้นพื้นของโลกนี้นไปจนกระทั่งถึงธรณีโลกทิ้งเ่านี้นต้องปิดบังไว้หมดทั้งนั้นแหละตามขั้นตามภูมิอย่งความหนาบางของกิเลสของธรรมที่มีมากน้อยภานใจเว้นจะ อาราัาทธรรมอร่าตบุคคลนั่นหมดเปิดเผยหมดทีเดียวความจริ ง, รงมีทลายเห็นหมดความจอเปลอมีทลายพังลงหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแหลเนี่ยที่โลกทั้งหลายได้หมุนไปตามมันก็เพราะมันมีความแยบคายมีความละเอียดแหลมคมอ้อยอิงมากต่อจัดจิตใจของสัตว์โลกโลกไม่มีที่เกาะ ก็อาศัยมันนี่มันเป็นจอมนาฏเกาะจอมนาฏบังคับไว้หมดไม่อาจให้ทำได้แทเข้าไปได้เลยแม้การใครจะดิน้นมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ตามอยู่ในวงของจริงกดขี่บังคับนี่แล้วมันจะต้องเป็นเครื่องมือของมันได้อย่างเป็นอย่างดีฉลาดเท่าไรยิ่งเป็นเครื่องมือของมันได้เป็นอย่างดีถ้ามันมีทำข้อแทรกแล้วจะไม่มีอะไรคัดข้านตานทา น, า น, ทานความฉลาดนั้นจะไม่เกิดผลประโยชน์ อันพึงใจแก่ผู้นั่นเลยยามีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความฉลาดของตนนั่นแหละบีบบังคับอยู่นั่นถึงปกักการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเห็นความจริงปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าอย่าปรีกอย่าแว้ทุกยากลําบากขนาดไหนก็ให้ตะเกียก ต, ตะกายสู้มันไม่หยุดไม่ถอยเพราะโทษของมันนี่จมมานานเท่าไหรแล้วที่จมอยู่นี้เพราะ สิ่งเหล่านี้พาให้จงนี่รุดพ้นตัวไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันบีบบังคับเอาไว้นี่ก็พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจนเต็มส ต, ติกำลังความสามารถนี่ได้สามสิบกว่าปีแล้วเกีย่ยวก็หมู่ก็เพื่อนสอนด้วยความถึงใจทุกอย่างไม่ได้สอนแบบละหล่อแล้วแหล ะ, ละสอนจริงจังทุ่มั้งหมดหัวใจด้วยความเมตตาสงสารนั่นแหละโทษเราก็เคยเห็นมาพอแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้เป็นโทษ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 แม้แต่เพียงความสงบ น, นี้ก็เป็นเหตุให้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านแล้วแล้วก่อนฟุ้งซ่านเตอนไรมันก็ไม่เห็นเห็นแยบเดียวเท่านั้นเอาฟุ้งถูกมันลากไปถลอกก่อเกิไม่มีเนื้อมีหนังติดเลยก็ต้องยอมไปกับมันเพราะอำนาจของมันมากแต่พอความสงบปรากฏขึ้นภายในใจที่เรียกว่าสมร t h หรือสมาธิภาวนาตามขั้นผูมุงตนก็พอได้ยับยั้งตั้งตัวได้บ้างตามกําลังแห่งความสงบ ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนํามาแห่งความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนมากน้อยตามความฟุ้งซ่านที่แสดงตัวความสงบมีมากน้อยความร่มเย็นความจับย่างตั้งตัวก็พอได้พอปรากฏขึ้นมาบ้างนี่เพียงขั้นนี้ก็เห็นโทษกันแล้วในขั้นความวุ่นวายของจิตกับความสงบมันแข่งกันแล้วเห็นแล้วี คุณค่าแงความสงบเป็นอย่างนี้โทษทห่ความฟุ้งซ่านของจิตเป็นอย่างนั้นออกจากจิตดวงเดียวกันเป็นที่จิตดวงเดียวกันในรู้ได้ชัดในผลของมันทั้งสองอย่างฝ่ายกิเลสผลของฝ่ายกิเลสผลของผลของฝ่ายธรรมรู้ได้อย่างชัดเจนดังนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญามีความแยกคายออกไปสมาธิคือความสงบใจพอได้ตั้งเนื้อตั้งตัว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 าจจิตใดสูสิของจริงมันชัดอยู่ตลอดเวลาตาเนื้อเนื้อเราก็เห็นนี่นะ่ะสภาพของโลกอันนี้เป็นยังไงทั้งภายนอกทั้งภายในไม่ว่าต้นไม้ปูเขาถ้าพูดถึงเรื่องความแปรสภาพมันแปรอยู่รอบตัวมันหมดแม้แต่ภายในจิตมันก็แปรยาว่าตั้งแต่ภายนอกกว้างออกไปขนาดไหนขี่กี่ขอบเขตจักรวาลก็ตามภ า, ายในมันก็แปรมันแปรดรอบตัวขึ้นชื่อว่า โลกสมมุติแล้วเป็นอย่างนั้นหมดโลกสมมุติก็คือโลกหมุนนั่นเองหมุนด้เรื่องกดแห่งอนิจจังทุกขังนาตานี่เห็นชาติอย่างนี้แล้วฝืนไปไหนฝืนอย่างนี้นอกจากที่เลสมันลากไปถลอกเปาะเปิกให้ฝืนความจริงเพราะนั้นมันจึงได้รับความทุกข์ความลําบากถ้าปัญญาเดินตามนี้แล้วทําไมจะไม่ทําลายสิ่งที่มันฝืนอยู่นั้นได้ลงสู่ความจริงความจริงก่อนอนิจจังลซะซ์มันแต่อยู่ไว้ใจได้ที่ไหน ขณะดเดียวมันแปลอยู่เท่าไรแล้วทั้งภายนอกภายในมันแปลตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นมันแปลอยู่ตลอดไม่ว่าเอียบดอยภายในตัวของเราก็ดีสิ่งภายนอกก็เช่นเดียวกันพี่านา น, นี่มันก็เห็นในชาติดูอะไรก็ดูตั้งแต่เรื่องกฎของกิเลสไปสมดไม่ใช่กฎของธรรมพวกน้เรียนนิจจังสุขขังไปแล้วทุกเป็นฟื้นเป็นไฟมันก็ว่าสุขขัง้จริงมันหลอก ต้ขนาดไหนก็ยังเชื่อมันจะให้โง่ขนาดไหนมนุษย์เราเฉพาะยังยิ้มผู้ปฏิบตัติโง่ที่สุดจึงมันไม่ได้เห็นตามปดความจริงของสิ่งเหล่านี้อนัตตานาัตตาก็พิเศษอยู่รอบตัวหมดขึ้นชื่อว่าโลกสมมุนแล้วเป็นอนัตตาทั้งนั้นน่นนันรอบตัวอยู่แล้วนี่ทำไมปัญญาไม่หยางลงไปถ้าจจพูดถึงเรื่องคันอสุภ า, าสุพังก็เหมือนกันมันสวยไม่งามที่ตรงไหนดูข้างนอกดูข้างในเคลื่อนไปด้วยประชาริษีดิบพิสุกเต็มไปหมดนี่ เห็นกันชัดๆอยู่ด้วยตาของเรานี้เสียงเสียงอันไหนมันไพเราะนอกจากเสียงเหตุเสียงผลเสียงอัดเสียงธรรมท่านั้นเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะเครื่องจิตจะออกจากกองทุกได้โดยลาดับลาดาเพราะเสียงที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมไอ้เสียงโซกปรกโสมมเสียงยกยอสรรเสริญหาหรือเสียงตําหนิตีฉินนินทาอันหาความสะอาดไม่ได้มีแต่ความสซ่กรปลกเต็มปากเต็มเสียงมานั้นผู้ฟังก็ฟังอย่างเต็มหูหูโซ่กปลกทรายเขายังไม่รู้ ตาสกรปรกหูสกรปรกทั้งวันทั้งคืนเจอตั้งแต่ของสกรปรก ม, มีแต่สิ่งหลอกลวงเต็มโลกมองไปมันก็หลอกลวงตัวเองเสียได้ยินก็หลอกลวงตัวเองเสียสุกิ่นลินล่นรดมาสัมผัสน้ำพันธนาการตลอดถึงกินกินพนารใจล้วนแล้วต่เรื่องสกรปรกเพราะขี้เรศมันปรุงมันแต่งขึ้นมาคุกเคล้ากับดูกรกิดตลอดเวลามันหาความสะอาดที่ไหนเต็มอยู่ด้วยของสกปรกไม่ชลำางด้วยสติปัญญาจะเอาอะไรมาชลำางเนี่ยมันสกปรกอย่างนี้เห็นไหมพิจารณาสิ นี่แหละปัญญาอย่างไปซินี่เลยสิ่งที่สกปรกที่สับปะสับปันอยู่ตลอดเวลานี้เราจะไปหาดูตั้งแต่ซากและสุภาษิตฟังเลยก้าวเข้ามาสู่ขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอันนั้นเป็นขั้นห ย, ยาบ ห, หายาบก็ยังไม่เห็นเหน่าแฟ้ยมันก็ยังไม่เห็นแล้วมันจะเห็นอะไรสิ่งที่แม้เน่ทาทั้งตั้งที่มันก็สกปรกอยู่เหมือนกันภายนอกก็สปกปรกผนังก็สปกปรกในหัวใจก็สปกปรกมันสลับซับซ้อนอยู่หนมุมมีแต่ของสกปรกเต็ม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 บุกเบิกหาความจริงพาอความจอมปลอมมันปกคลุมไม่หมดในสามแดนโลกธาตุนีมีแต่เรื่องความจำปลอมมันออกไปจากกิจใจแต่ละดวงละดวงมันไปสาคัญมันหมายแต่ปรุงไปแตกพราะกิเลสพ้าให้มันปรุงมันแต่งมันออกไปจากใจเจ้าของก็หลงตามมันไปเรื่อยๆถูกจูงจมูกจมูกขาดแั้ก็ไม่รู้ปัญญาอยากหนุงไปสิ ทำให้มันจริงมันจังทีทุกมันทุกจริงจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะทุกทางใดทุกทางกายมันก็ทุกจริงจริงเป็นสัจจะจริงๆคือความจริงทุกทางใจก็ทุกจริงจริงสติปัญญาก็เป็นของจริงแก้กันลงไปนี่นาเห็นตามเหตุตามผลทําให้มันจะแก้ไม่ได้วะธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะ ส, สดสดร้อนรเครื่องแก้ ส, สดสเครื่องแก้ ส, สด ส, สดร้อนร้อนแท้ๆไม่ใช่เป็นถึงที่ล่าสมัยคำเทียวล่าสมัยกิเลสมันหลอกนี่นะกิเลสมันไม่เห็นล่าสมัย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 ปฏิบัติมัม่งบ้านในเรื่องได้เล่าอะไรพูดกับมีตะลมปากให้เฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีไปยังไงมาปฏิบัติไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเหตุผลอัตธรรมไม่ปรากฏในใจเลยเป็นที่ต้องใจแล้วเหรอเป็นที่พึงใจแล้วเหรอเราอยู่ด้วยอะไรในเวลานี้อยู่ด้วยความเรื่นลอยอย่างนี้เหรอมเป็นมาก็เป็นมาด้วยความเรืนลอยอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความเรนลอยไปจะเอาหลักเกณฑ์มาจากไหนถ้าไม่เอาหลักเกณฑ์มาจากสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์คืออาาัตคือธรรม เป็นเครื่องชํำลาดสินจำปอมทั้งหลายอันทำคนให้เป็นหลักลอยนี่ไม่มีอันอื่นอย่างอื่นแ ห, หมูนตัวก็มาสินักปฏิบัติอันนี้จะไม่มีเกาะมีดอนนะนะเนี่ยมันจะเป็นมหาสมุทรทะเลจมไปหมดด้วยกันทั้งโลกทั้งธรรมทั้งพระทั้งฆราวาสหรือว่าเพศใดวายใดส่งเสริมกันในเรื่องที่มันจะเป็นพืนเป็นไฟ ใครก็ต้องการแต่ความยุติธรรมใครต้องการแต่ธรรมาทิพไตยธรรมาทิปตไตเป็นยังไงอืโลมะ โ, โลพาทิป ไ, ปไตเป็นยังไงอไม่ได้สนใจมิเะเสริมมันนี่แล้วคือฟืนคือไฟเดี๋ยวนี้อันนี้แหละมันเป็นใหญ่ในหัวใจของโลกมันดิ้นรนกวัดแกงหมุนยิ่งกว่ากังหัน ท้าก็ต้องการอยากเป็นอธิปไตยอธิปไตยอตัวนี้ทําไมไม่ได้ดูบ้างที่มันบีบบังคับไม่ให้เป็นอธิปไตยได้มันเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่ถ้ามาอธิปไตยกับราคาตันหามันเป็นใหญ่เป็นหัวใจลบโลคพาอธิปไตยก็คือความโลภมันเป็นใหญ่คนมีความโลภมากๆมีความสุขหมายคนมีราคาตันหามากๆมีความสุขหมายนั่น มีความโกรธมากๆมีความสุขหมายก็ฟืนไฟเผาคนทั้งคนมันเอาความสุขมาจากไหนพี่นาทีคนไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นความสุขไม่มีอะไรมาเผาพนานจิตใจต่างหากเป็นความสุขนเห็นได้จึงต้องส่งเสริมบารนักเอาหนาไม่ลืมเนื้อลืมไม่ลืมหมูดื่มตาเลยฉนาดยังไงมนุษย์เราหรืออวดตัวว่าฉนาดได้ยังไง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 การจินอยู่ปว่วการอยู่กับหมู่กับเพื่อน <c oughs> เป็นความชินชาหน้าด้านไม่ได้กิเลสมันไม่ได้ชินกับไพลหรอกเผาได้ทั้งนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนเดินงงนอนทุกขณะกิจที่คิดออกมาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมีทำแทรกออกมาบ้างไหมเดินจงกมหยอกจอกจัจอ ก, จอ ก, จอ ก, จอกมีแต่เรื่องคิดปรุงเรื่องโลกเรื่องอุสารเรื่องกิเลสทันหาทั้งนั้นแล้วจะเอาทำมาจากไหนหาความสงบเย็นใจได้บ้างปัญญาจะคิดออกมาสักนิด แยบหนึ่งมันก็ไปทําสัญญาอารมณ์คาดหมายไปเสียถูกมันรากมันเข็นไปเสียปัญญาเลยอย่างลงหาสุูหาความจริงไม่ได้แล้วมันจะถอดถอนกิเลสได้อย่างไงเมือ่อกิเลสได้เอาปัญญาไปต้มยากินหมดแล้วสติก็ไปต้มยากินหมดแล้วหาคุณค่าที่ไหนจากปัญญาอนนั้นมันเป็นปัญญาของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสทาลายตัวเราซะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นความสุขความเจริญคําว่าสมาถะสมถะไปหาที่ไหน ไปหาต้นไม้ก็เป็นต้นไม้นั่นดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศดินน้ํำลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่สมาถะไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความเย็นใจหาที่ใจต่างหากฟังคำว่าเย็นใจร้อนก็ร้อนที่ใจอากาศเป็นเรื่องของอากาศเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าร้อนว่าเย็นอย่างไรดินน้ํำลมไฟเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าเป็นอะไรมีแต่มนุษย์เราที่ว่าตัวฉลาดนี่ไปตั้งชื่อเขาก็หลงเขาติดเขาแล้วมาเผาตัวเองเท่านั้น คนดูที่นี่สิตัวมันฟุงงซ่านมันฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านที่ไหนบอกฟุ้งซ่านที่ใจ บ, บังคับทําไมจะบังคับไม่ได้กิเลส บ, บังคับหัวใจเรายังบังคับได้ทําเหนือกิเลสเอาบังคับกิเลสทำไมาจะบังคับไม่ได้ฟาดกันลงไปที่นักปฏิบัติเด็ดต้องเด็ดกิเลสมันเด็ดเราต้องเด็ดฝ่ายชั่วมันเด็ดฝ่ายดีต้องเด็เ ด, ด, ดไม่อย่างนั้นไม่ทานกันอืมต้องเป็นอย่างนั้นเด็ดต่อเด็ดใจกัน ถ้าจะเด็ดในธรรมก็กลัวกิเลสหัวยอ่อหัวหัวเรา ย, ย่อเสียอย่างนั้นเหนือเห็นอย่างเทศนาว่าการรุดูด่าว่าการอย่างนั้นอย่างนี้ว่าก็ว่าให้ว่าไปซี่เรื่องของกิเลสมันว่าเนเรื่องธรรมก็ว่าไปตามอะตามธรรมที่แจงเหตุผลเพื่ออัดเพื่อทำความเจะเด็ดต้องเด็ดความจะดุต้องดุควาด่าต้องดา่าด่ากิเลสต่างหากไม่ได้ด่าคนดุกิเลสต่างหากฟันกิเลสต่างหากไม่ได้ฟันหัวคนเป็นอะไรไปนี่ความดีความชั่วมันเป็นคู้เคียงกันไป กิเลสมันโหดขนาดไหนทำต้องโหดขนาดนั้นโหดกับกิเลสจะเป็นอะไรไปอย่าโหดกับตัวเองสิโหดกับกิเลสโหดกับตัวเองก็คือปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวใจเจ้าของแหลกละเอียดไปนั่นนั่ น, น, นก็โหดกิเลสนั่นคือคล้อยตามกิเลสมันก็เหยียบหัวเราแต่คล้อยตามธรรมแล้วเหยียกกิเลสให้แหลกไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเด๋ทำเยาะๆยแะยะ่ะะมันได้เรื่องอะไรถึงคราวที่เด็ดต้องเด็ด ไม่เด็ดไม่ได้พิธีการของการประกอบความภาพเพียนเราจะเอาตัดนิสัยของเราไปว่าไปทําไม่ได้นะต้องเอาหลักของธรรมเข้าไปจับบืนตามอัดของหลักของอัดของธรรมนั่นแหละมันถึงจะมีช่องทางไปได้เราจะไปหาหาสมาธิกด็ดีหาปัญญากด็ดีตามสิ่งภายนอกดินฟ้าอากาศว่านั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ ว่าจะเป็นสติปัญญาถ้าไม่เอาสติปัญญานี้พิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาสู่ใจตัวเองแล้วไม่เจอเลยสมถะก็ไม่เจอวิปัสสนาก็ไม่เจอวิมุตติบุพนก็ไม่เจอถ้าไม่เอาใจเป็นรากฐานสําคัญกว่าต้อนสิ่งทั้งหลายเข้ามาด้วยปัญญาด้วยสติให้เป็นอัตเป็นธรรมไปด้วยกันแล้วแก้ตัวเองผู้ไปผูกพันมั่นหมายตั้งสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอันนั้นจะถอดถอนตัวเองไปได้พูดไปพูดไปคนไหลอันนี้พูดเร่งมาแล้วตะตุล เนี่ยทำทำรู้สึกเหนื่อยเหน่อแล้วเอาละวันนี้พูดเท่านั้นแหละะเหนื่อยแล้วมันรู้แล้ว <c oughs> ทําไงนี่แนละ้ว <c oughs> เครื่องมือไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละฟังดูเอาซิแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่พูดมไหลไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นไปได้เมื่อไหร่พอพูดเขาพูดก็เอาล่ะอ่อนก็อ่อนเข้าไปในนี้ถ้ามันยักเข้ามาภายในนีนน้ก็ไม่มีอะไรพูดตี้ธรรมะตกหายไปหมด วันนี้ยังดีงที่มันอากาศเย็นนะพอช่วยบ้างแต่ถึงอย่างนั้นมันมันก็เย่งเป็นได้เนี่ยเพราะความเล่นทำการพูดมันเรล่นอนทำไงไม่ได้บา ง, บ, างบังคับมันเป็นไปตามอะไรพูดไม่ถูกมันจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันเราบังคับไม่ได้ไม่แต่เสียงเหมือนกันเสียงควายเสียงแดงนัก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมัน ถ้าพอจะแยบัว บ, บังคับนี่มันก็ออกนอกรูน อ, อกทางไปเสียไม่ไป ต, ตามร่องรอยทงหลักธรรมชาติธรรมะก็ไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยนี่เ <c oughs> ป็นไงมันอ่อนลงอ่อนลงนะท่าทันตัวนันนี้ไม่เล่นไม่อยากเล่นกับอะไรจะเล่นละ่ะพิญามุอะไรพอดีาไหนามีสามแดนโลกธามันออกไปของมันเองกีด เหมือนมันไปเั่นถึงกล้าพูดว่า ม, มันจะสามโลกกถาหรือสี่โลกกถาก็ตามกิดดวงเดียวนี่ไม่ไปยุ่งแล้วมันก็เหมือนไม่มีเนี่ยมีอะไรกับพนี้ไปให้ความหมายเนี่ยอันนั้นมีอันนี้อันนี้อันนั้นเป็นนั้นนี่เป็ น, นีพอผนี้ผู้นี้หยุดจะยอย่างเดียวตั้งแหมดความหมายไปเลยนี่นรู้ชัดเสิ มีพู้นี้เป็นสำคัญตอนนั้นตัวรู้นี่แหละคือตัวหลงตัวเนี่ยมัดอมก็ไม่หลงมัดจอมก็ไม่ทุกมันไม่รู้ตัวรู้นี่เนี่ยเป็นตัวหลงตัวทุกอย่างที่บอกก็จริงนะว่าพุ่งนี่ยบอกว่ า, าพูดังมากเดยเนี่ยก็การพูไปมากเกินอปนะ ไม่บอกนว่าเขาเคยพูดว่าความรู้เหล่นี้คือเงินๆอ่งเงยเรอารืงขันเร่นี้เป็นกระแสของมุขั้างหน้างาไม่ใช่ธรรมธาตุแฉงงาเนี่ะคือว่าชั้นที่โกถูดเอื้อมของชามันชนทั้งหลายเราคือชั้นที่โกอันนั้นอ่ะอันถุกเอื้อม น, น, นั้ น, น อันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันน่คือเขาอมาประกาศนี่คือคือเขาเอาเงาจะคุกเงาเนี่ยมามาถ้าพระรหัน์ถ้ายังมีนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระรหัน์ก็ว่าขบขันวะพระรหันธ์ต้องเป็นชากโกรไม่มีหลับไม่มีไม่มีหลับ เขียนอย่นี้นคือต้องอ่านโอ้โหว่ะไม่จะสอนคนง่ายตลาดนะจจะของคุณสวงหูที่สอนคนง่าตลาดนะมันก็เข้ากันนะขนาดกับที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังต้อง ส, สวยลุกเวทนา น, นึไม่ได้ผิดกันเลยเลยนะยกตัวอย่างกันด้วย เราเห็นได้เวลาพระองค์จะเด็ดไปกุสินาราจะไปนิพพานนั้นรับสั่งให้พระนรนินาถสังคาติเราจะพักแล้วเหนื่อยอ น, นุนึงรับสั่งให้พระนรินาถน้ำมาเสวยเขาหายน้ำเขาหิวน้ำหายน้ำนั่นไม่เสวยนันจะไปว่ากันหรือระวังนักกันสิ รั บ, บอันนี้มันก็เอาเข้ากันได้ร้อเปอร์เซ็นเข้ากันได้ไม่ีแต่พูดภาษาเพราะนั้นเราก็เรียกว่าเอาน้ํามาเติมเติมรถเนี่ยรถน้นํามันหมดแล้วถ้าเครื่องมันหน่อยเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงที่ความหมายว่างั้นไอ้ผู้ขับก็ดีด้เป็นไรไปเแต่รถนน้ํามันหมดหรือน้ํามันมันหมดอื เครื่องนร้อนเกินใจพักเครื่องหน่อยข้อหมายให้ข้อเหมาะให้ถูกต้องอย่าไปว่าเจ้าของนี่เสวยทุกคนขับรถนี่ทรหมดน้ำหมดท่าเครื่องเขาร้อนไปหมดเครื่องนี่คืเครื่องของรถข้อหมายว่างนั้นนี่คืออานนท์ข้อหมายกันว่าขันนี่ขันตะวันจกนี่ก็เหมือนกับรถพูดง่าย่ มันต้องการน้ําเพราะขันกับน้ําเป็นสมมุติอันเดียวกันมันจะไม่ไปถึงไหนจะไม่ไปถึงกุฏินาราหรอกมันน้ํามาเติมมาพักเครื่องฮัวร่าทั้งคาติเราจะพักนั่นนี่นเต็มส่วนแต่หาโคติดแท้จริงกับความบริสุทินั้นมากเกี่ยวข้องอะไรกันนั่นอันนี้หมุนอยู่ในวงสมมุติทั้งนั้น อันนั้นเพียงอาศัยอยู่ในขันนี้ทอนนั้นแหละแต่ไม่ใช่ขันตรงนี้ไม่ใช่เรื่อ ง, องความหิวความกระหายจะมาสวยกันได้อย่างไงคนละโลกถ้าพูดถึงโลกนี่คือพระอรหันต์นอนหลับเย้วมันใช่พระอรหันต์นั่นเป็นชาคโลชาคโรก็มีในหลักชาคโรงพระอรหันต์กับชาคโรของธาตุของขันต่า ง, างกันคือเจ้าชาคาโร เอาขันนี่ไปบวกเข้าในชาคลุนี่ท่านได้ย่างไงความรู้ที่ที่เป็นอยู่ในขันนี่มันเป็นความรู้ของในวงสมมุติทั้งนั้นจึงต้องมีการระงับการเกิดขึ้นการดับไปเช่นเวลาหลับกร็ระงับเปลือยไปตาหูจมูกทิ้นกายดับไปหมดความรู้ที่ประสานกันเกี่ยวข้องกันกันกบทางตาหูจมูกทิ้นกายนี่มันก็ระงับไป น, นั่นเป็นนิจจังเป็นอ น, นิจจังฟังซินันมีเกิดมีดับนเจ้านี้หรือเป็นชาพละทีนอกจากนี้ไปเป็นฉันติโกโดยเฉพาะของผู้เป็นนั้นเท่านั้นผู้ไม่เป็นคู้ไม่ได้ รู้ไม่ได้ว่างั้นเลยมีหลัานที่ิโกสุดเอื้องตรงนี้หรือประจิตตังก็ได้กลุ่มนี้เรายกเว้นสันี่สโกเหล่านั้นจะเสียที่ปริญาานอกงจากนี้ไปเอาสที่สโก ท, ท, ที่ถึงจุดสุดท้ายเลยก็คืออันนี้เองผมก็เคยได้ยิตกยับกับพ่อแมอ่โฮจา์ แต่อันนี้ผมระวังนะั่นนะเพราะตอนนั้นเรากําลังเข้าได้ขอ เ, เข็มหัวย้วยหัวต่อของเราการพิจารณานี้มันหมุนตจียวเจียวเจี ว, ว, วท่านเพียบมากในทางธาตุขันบางทีธาตุขันบาท่านยังมีลักษณะมีลักษณะเหมือนกับครางแอแอบบางแต่ไม่มากนะเพราะจะมาพิจนารณาพอจะให้สงสัยไอ้พวกที่มันชอบสงสัยชอกตะคุกเงาเนะี่ยมันชอบ ข, อาาขอนน้อตะคุบเงาได้บางอันถึงเนี่ยเวลาท่านมีลักษณะอะไรร่างกายของท่านมีข้อท่าแขนมันก็เป็นน้ำมันเช่นน้ำเส้นกระตุกนี้มันก็กระถุกมันได้อย่างนั้นเนี่ยอเวลทาท่าแขนของท่านมีอะไรสายอะไรไปบ้างก็มีไม่มากนะหากขอ้อตะคุบเอาเศษเอาเด่นมาละมันถึงตะคุบไอ้พวกหาเศษหาเด่นเนี่ยหาของจริงห า, าของในเด่นอ่ะก็มีลกักษณะ เหมือนกับการอะไรนี่หน่อยแล้วมันก็ยักมาหละกิตของเราเพราะยังไม่เข้าใจนี่เวลาท่านมีลักษณะอย่างนี้นั้นจิตของท่านจะถือไหมนะเทียงเท่านั้นก็งับตัวของเลยเพราะมันมันระวังกันอยู่มันรู้อยู่ทุกขณะมันไม่ได้ถือนี่สติในระยะ น, นั้นมันไม่ได้เือ พอมันแับของนี้แล ง, งับทันทีเลยอย่าว่าไม่เอ้่มต่อไปอีกแต่มันก็ไม่ลืมเวลาที่นาต่อในขั้นต่อไปนั้นมันก็กลับมายอมท่านโอ้โหมาขอกราบท่านอย่างลาบเลยนะอธอษฐาทนท่านแรืมากราบอันนี้เราแน่ใจว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยราะเป็นสิ่งที่เราระหวัง ไม่มีอะไรเหลือแหละโทษกรรมอะไรก็ไม่เหลือเขาพูดถึงว่าเศษของทั้งหมดมันก็ไม่เหลือคือมันยอมในหลักธรรมชาติสิโอ้โหทันทีเลยก็เรื่องชาติเรื่องขันจะบวกกับธรรมชาตินั้นได้ยางไงนั่นอันนั่นที่ว่าเปนอันหนึ่งต่างหากอันนี้มันก็เป็นเรื่องของงานของชาติของขันเทียบแล้วก็เหมือนกับไฟไหม้ฟืนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไม้กอก ไฟมันไม้ก็ไผ่นีเสียงระเบิดปังปังปงปังปังโอ้ยสงเกลียวขึ้นจดเมฆเออเหมือนกับไฟนั่นก็มีวิญญาณไม้เชื้อไฟไม้ไผ่นั่นก็มีวิญญาณระเบิดกันปังๆังปังมันทํางานต่อกันไฟก็ไม้เชื้อเชื้อก็ระเบิดปังปังปังเหมือนกับต่างอันต่างมีวิญญาณต่อสู้กัน แล้วความจริงนั้นไฟมันมีความหมายมันตวงมันเมื่อไหร่มันต้อมีความหมายในตวงมันด้วยมันไม่มีความหมายในฟืนด้วยฟืนก็มีความหมายตัวเองด้วยมัน ม, มีความหมายในไฟด้วยไม่ไม่มีอะไรรักทกราบกันเลยผู้รับทราบคือผู้ยูนดูอยู่ที่ตัางหาเรามี่รับทราบนะเรื่องธานุหลังขันที่มันแสดงตัวในอาการต่างๆของพระัินาศพท่านก็เหมือนกันอย่างนั้นมันทุกวรจะเป็นยังไงมันก็เป็นทั้งหมด เพราะว่าทุกเวทนามันบีบบังคับทัดขันให้ดิให้งอให้ดิ่ดให้ดิ่นอะไรเนี่ยเหมือนกับไฟไม้ก่อไฟ่ัยางเี้ยครั้งๆจนมันก็ไม่รู้คหมายของกันเลยทุกเวทนาก็ไม่รู้คหมายของตนและไม่รู้คหมายของร่างกายส่วนต่างๆร่างกายส่วนต่างๆก็ไม่รู้คหมายของตนและไม่รู้คำหมายของทุกเวทนาว่ามันบีบขันยังไงบ้างเลยแต่มันก็บีบก็เผาไปเช่นเดียวกับไฟนันเผาไม้นั่นเอง มันเป็นสิ่งที่พิจานณาไม่ได้ธรรมดามันพิจารณาไม่ได้ถ้ามันถึงขี่ของมันแล้วมันก็ไม่ต้องพิจารณามก็รู้เองอย่างที่ว่ากิจที่บริสุทธิ์สูญไปยังไงอืก็ยกตัวอย่างที่ขณะที่พระ อ, อนุทะตามพระกิจของบุรุษเจ้าสิตอนท่านจะเสด็จรปนิพพานพระสงฆ์หลายก็ถามวนี่พอท่านไปถึง ถ้าเด็ดเข้าถึงสัญนยาเวทายตานิโรธคือเริ่มตั้งแต่ปสมประชานขึ้นไปเรื่อยอุธิยาชาิดชาจะดุจชามีเรียกว่ารูปประชานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปประชานนั่นคอาก า, ารสาระจาระจินญาจาระอจิจนาเนสัญญาณนาสัญญาอยู่นะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทายตานิโรธ่อบัตละงับพระองค์อยู่นั้นระงับสมมติคุณยังไงอยู่ที่นัน นิ่งก็เราดูด้วยตาเนือ้อเนือ้อสังเกต ด, ด้วยใจธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่รู้สิที่ต้องถามท่ น, นี่ไม่ใช่รพระองค์ปนิภาณอะไรหรือพระองคทาทึ่งตามตลอดเวลานั้นไม่ยังเวลาที่ท่านกาลังเข้าสัญญาติดโลกนั่นฟังสิพอถอยออกมาก็บอกว่าถอยออกมาภารกิตที่บริสุทธิ์เนี้เมื่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องพาดพิงแล้วก็ไม่สร้างว่าไปยังไงมาอย ง, งคือจะรู้อยู่แต่ ว, ว่าพูดไม่ได้เนี่ยไม่มีสิ่งพลาดพิง ทีนี่เมื่อมีสมมติคือประท้วงวัชรุติชาญเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัญญาไปตาอิรวดนี่เป็นสมมุติพาดพิงไปแล้วในเวลานี้เข้าประท้วงวัชรุติชาญเรื่อยๆเรืยนี่ธรรมชาติที่เป็นสมมตินี่ผ่านไปนี่นี่ผ่านไปนี่ถ้ามีสมมุติเป็นเครื่องพลาดพิงกันอยู่นี่มันก็พอพูดได้สัญญาไปตาอิรวดก็เป็นสมมุติเวลถาถอดมาก็ก็ทราบพระจิตที่ถอดมาทาบริสุทธิ์แล้วอะไรผ่าน รูปชาญรูปประชาญไปถึงสัญญาใจรุ่นถ้าศูนย์น่ะ น, ะ, นะก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปเองไปอ่ะนี่เพราถอยลงมาจนกระทั่งถึงพระกิจที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก็ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่กล้าพอกล้าคราวนี้ก็ผ่านจจตุรชาญแล้วก็ทนี้ก็ออกน้นระหว่างสมมุติทั้งสอง คือรูปประชานก็เป็นสมมุดอรูปประชานก็เป็นสมุติทั้งนั้นผ่านตรงนี้ประเดี๋ผ่านแล้วน่ะนัน่นี้ไม่มีอะไรพลาดผิงแล้วน่ะนั่นพระคิดอันนั้นศูนญไปไหนแต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกมีอยู่ไม่ได้ศูนย์แบบโลกศูนย์นั่นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าจะว่าทําการก็คือทําการระหว่างสมมุติความสูญไปและความมีอยู่ก็พูดได้เพียงเท่านั้นจะพูดให้มากกว่านั้นไม่ได้อีก เอาที่เอาอะไรไปจับที่อันนี้วิทยาศาสตร์ไหนก็มาจับสิวิทยาศาสตร์เป็นสมมติทางนั้นอันนั้นเป็นนิมูต เ, เอามาจับกันได้ยังไงวิทยาศาสตร์อาศาัยสภาพวัตถุเลยอันนั้นไม่ใช่วัตถุเลียงก็ไปกี่รอ้อยกี่พันกี่หมืกี่แสนรูกี่ร้รอยกี่หมืน่นกี่หมื่นกี่แสนงก็เป็นเดียวกันหมดไม่มีอะไรข้านกัน เป็นแบบเป็นแบบเหมาะพอดีกันหมดเลยพระรูปีเจ้าต่างหลายจึงไม่ได้ค้านกันในการสั่งสอนชัดโลกและไม่ได้ค้านกันใ น, ในความบริสุทธิ์พระรหัสตั้งหลายจึงไม่ได้ค้านกันในการในความบริสุทธิ์เอาอะไรมาค้านกันเพราะทํานั้นไม่ใช่ทําค้านย่านงนี้นะว่าพระรห น, นอนหลับหรือไม่หลับจยู่ที่ว่าตะครุบเงากัน มาบวกจับความเป็นอาหารกับขันมาบวก ก, กันมาชนกันเล่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาความรู้ท่อยู่ในวงขันเป็นความยุคของธรรมชาตินั้นเมื่อไหร่ที่คุกเข้ากันอยู่กับขันนี่มันเป็นเรื่องของขันด้วยกันยัดออกมาแล้วดับไปมันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปนนธรรมชาติที่เป็นรากฐันจริง น, นั่นเสิ ไม่ได้มาเกี่ยวกับวันนี้นี่ที่ว่าชาคละนั่นอยู่นั่นต่างหากขันระ ง, งับตัวงไปหลับลงไปก็หลับไปสิจะติ่ี่มันก็ตื่นสิเรื่องของขันจะหลับก็หลับจะตื่นก็ตื่นสิจะตายก็ตายสิเป็นรไรไปเนียยางก็ยังยีงงง่เป็นไรไปอันนั้นมันจะมาข้านใครนี่เพราะไม่อยู่ในวิสัยที่จะมาข้านกันมันเป็นอาถานพณ์ระหว่างขันกับชาคละธรรมนั้นนั่นอิมานสิ จำไหมนะคำพูดเหล่านี้เอาปฏิมาอาหาที่มาค้านกันได้ไหมลงนั้นแล้วมัญหาค้านที่ค้านกันไม่ได้ละอ๋อทีเดียวเท่านั้นพอเลยอืกําเรื่องตายเกิดตายสูญนี่แหมสําคัญมากนะบาบุญมีด้วย ม, มีนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่นยังไม่หนักยิ่งกว่าคำว่าตายเกิดตายสูญอันนี้หนักมากนะ จะพิสูจน์ได้ในภาคปฏิบัติเท่านั้นนี่นอกจากนั้นพิสูจน์ไม่ได้เรียนจบว่าไกลปิฎกก็เถอะว่างั้นเลยนะแล้วไม่ได้ประมาท ก, ก็ไกลปิฎกท่านก็แสดงว่าแต่ความเชื่อจะเชื่อไปอนั้นมันมัมันไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนี่สิ่งปิดบงังก้นนปิดอยู่นี่เกินมากกี่เหมือนกี่แสนกี่ล้านพบล้านชาติมันก็ลบออกหมดแล้วเหมือ น, นไม่มีเหมือนเพิ่งมามีในอัตภาพเดียวในทีน่นี่ออกทีนี้มันก็ตัดไปหมดเลยอีก ที่จะไปข้างหน้าจะมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้วมันก็ปิดไว้หมดไม่เห็นมันเห็นเฉพาะปัจจุบันที่รู่ที่นี้ในท่านในขันนั้นพอหมดจากนี้ไปแล้วมันก็พังไปเลยไม่มีอะไรเหลือออกิเลสตัวนี้สําคัญมากนะมันอยู่บนหัวใจที่ไม่สูญนั่นแหละหัวใจตรงนี้มันไม่สูญกิเลสมันก็อยู่บนหัวใจนี่แหละแต่มันปิดหัวใจไว้จะไม่ให้รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายเงื่อนต้นก็คือตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมากี่ภพกี่ชาติแล้วเงื่อนปลายที่จะสืบต่อพบต่อชาติอีกสลายมันปิดไว้หมด มันเห็นอยู่ในวงปัจจุบันให้รู้อยู่ปัจจุบันเท่านี้ไม่ให้รู้มากกว่านี้เมื่อมันไม่รู้มากกว่านี้ก็เพราะพอนี้ด่าลมกปายมันก็หมดมันว่างส่วนกิเลสมันอยู่บนหัวใจมันมันไม่ได้ว่านะว่าถ้าถ้าจิตมันสุนแล้วกิเลบันลายน้ําไม่ได้บอกจิตที่เท่าที่กิเลสมันยังมีอยู่หัวใจแต่เพราะจิตเพราะใจไม่สูนนั่นเองกิเลสมันถึงยังมีมันถึงได้หลอกโลกต้มขุนโลกเรื่อยมามันไม่บอกตรงนี้ อยากจะทราบมันก็พิจารณาไปสิคือมันค่อยรู้โดยลําดับลําดับไปตั้งแต่ขั้นสมาธิคือมันจะค่อยเป็นวงเข้ามาวงเข้ามาแคบเข้ามาตะล่ำเข้ามาพ อ, อกอย่างนี้แล้วกระจายออกเครื่องปัญญาที่นี่ธรรมนาของจิตมันมียึดมีเหนียวอะไรนี่มันจะบอกมันเป็นสายไปยังไงยังไงนี่ปัญญาก็จะตัดเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาเรื่อยส่วนหยาบ ส่วนกลางส่วนละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งหาที่ตัดไม่ได้เป็นรวมที่จิตที่เรียกว่าอาวิชชาคือามันขาดหมดเชื้ออันนี้ที่จะไปต่อไปที่ตรงไหนไม่มีแต่มันก็อยู่ที่อวิชชามันรวมอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เกิดเป็นภูมิละเอียดนะเช่อนอย่างพระอนาคามีานั่นคือพวกที่รวมแล้วเนี่ยเ ป, เป็นพระอนาคามีนี่พอ พังอันนี้ออกไปหมดแล้วที่ยี่ขาดเลยมันก็เห็นชัดในใจน่่ไม่มีอะไรแล้วมันก็รู้ชัดจะสืบต่อในอะไรหลายเหตุที่เป็นมาตั้งแต่พบไหนชาติใดมันก็รู้มาโดยลำดับแล้วพอมันขาดสะบั้นไปแล้วนี่เรียกว่าปัจจุบันนี่ขาดสะบั้นมาหมดอนาคตต้องมีเงื่อนต่ออดีตก็ขาดมาแล้วอนาคตก็ไปจากอันเดียวนี้มันขาดสะบั้นไปแล้วนี่มันก็รู้ชัดน่นทีนี้ไม่เกิดนั่น ศูนย์ใหม่ที่นี่นานเอาอะไรมาศูนย์แหมถ้าศูนย์จะไม่รั่าไม่เกิดล่ะผู้บริสุทธิ์เอาไหนมาศูนย์วะ อ, <ม>อะไรจะเป็นรคความบริสุท์นั้นได้ความบริสุทธป็นทำเหนือโรคอะไรเป็นรบได้กิเลมันตายแล้วกิเลมลบไม่ได้แล้วยิ่งรู้ชัดเเนี่ยต้องพิสูจน์สภาพปฏิบัติอย่างราพระเจ้าอ ว, วิชชาปญา ส, าาสาาร้างกาลสร้างกาลปฏิยวิญาณนั้นแหมซึ่งออมากจริง แต่เราจะไปพิจารณาวิชาปฏิบัติอวิชาต่ อ, อวิชาอย่างที่ท่านเรียงลาดับไว้นั้นไม่ได้นะเออท่านบอกเรื่องสาเหตุทั้งมันเมื่อมีอวิชาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นไปต่างหากท่านบรรยายถึงเรื่องมันต่างหากแต่ภาพปฏิบัติจะไปปฏิบัติอวิชานแล้วไปดับอวิชาระดับสังขารระดับวิ ญ, ญญาณไปไม่ได้เอออันนั้นเป็นสาเหตุอวิชานเปสาเหตุให้มันแตกกระจายไ ป, ไปเป็นขแขนงไปต่างหาก พอถอนพวดขึ้นมานี้แล้วไม่ต้องบอกว่ากิ่นก้านสาขาตายไปด้วยกันหมดเลยทั้งนี้ว่าอาวิชายุตเววะเซสสวิลาวิลากาลิโดทาสักคาร า, ายโทนั้นก็ดับเรื่อย ๆ, ๆจกนกรทางนิโรโทโหติอันนี้ดับเพรนั้นดับหมดถ้ามีอันนี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นนต่อแขนงไปพอถอนพวดขึ้นมานี้แล้วดับ้งหมดเลยความหมายของนั้นการอธิมาธรรมานี้ ก็คืออธิบายเรื่องของวิชานั่นเองพอถึงขั้นละเอียดแล้วเป็นอวิชารุ่นๆเนี่ยอธิบายเป็นอวิชารุวนๆจะไม่บอกว่าแสดงปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปยาทั้งหลายก็ตามการพิจารณาเข้าไปโดยลาดับลาดับลำดับลาดับนั่นคือตัดกิ่งก้านสาขาหรือว่าตัดตัดรากฝอยลากอะไรเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าแก้วหอมตลวดขึ้นมานัหมายถึงว่าดับกันที่จิตเลยผลสุดท่ากิเลสมันรวมอยู่ที่จิตก็ดับกันที่นั่นเลย นั่นหมดแล้วมันก็หมดนั่นอวิชามันหมดไปแล้วสังขารปรุมขึ้นมามันก็เป็นสังขารขันร่วนไปเสียลมันไม่ใช่สังขารสมุ ท, ทยัยแนเ่เพราะพออวิชาดับสังขารก็ดับคือว่าสังขารที่เป็นสมุ ท, ทยัยซึ่งออกมาจากอวิชาบงการนั่นะมันดับไปแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะเมื่ก่อน ปรุงขึ้นมามันมันมันมันก็เป็นสมูทไทยลาบชาคือวิญญาณก็เป็นสมูทไทยสัมผัสก็เป็นสมูทไทยและเป็นสมูทไทยไปหมดนั่นสมุรีโยโคตินันวานนั่นทีนี้พอดับมันนี้หมดแล้วอะไรที่เนี่ยสังขารก็ดับสังขารที่เป็นตัวสมูทไทยมันดับวิญญาณที่เป็นตัวสมุทัยมันดับสลายจนะเลื่อยไปจนกระทั่งถึงภพชาติมันดับมันดับมันดับนั่นฟังสิวิชาแท้ๆเป็นอย่างนี้นี่นะฮึ่ม นี่จะเวลาท่านเรียงลาดับผู้ปฏิบัติเลยจะไปเรียงอย่างนั้นตายเน อ, อท่านพูดถึงต้นเหตุมันที่เป็นสมุทรไทยต้นเหตุที่มันเป็นนิโรธเป็นมาจากไหนมาจากมรรคเนี่ยต้นเหตุที่เป็นมาจากสมุทรไยก็คือกิเลสนั่นอวิชานั่นเนี่ยท่านพูดพูดตามเรื่องของมันต่างหากห น, นะไม่ใช่ว่าให้ดับตามเรื่อ ง, องมันดับอวิชาระจริงจะดับสังขารจะดับวิญ ญ, ญาณดับนามรูปดับสลาสนะ ดับไปเลไม่ใช่เอออย่าไปจะคุ้มเงาหนาะดับตรงนี้แล้วมันกรดับพไหมดท่านก็เลยบรรยายตามเรื่องความดับของมันอันนั่นก่ออันนี้เมื่ออวิชชาดับแล้วสังขารมันก็ดับวิญญาณถ้าจะว่าพูดย้ำเดียวกันเขียนลงในตัวเดียวกันมันจะอ่านออกได้ยังไงก็ต้องเรียลงลำดับเช่นอย่างทุกสมุทัยนิโรจมากผู้ปฏิบัติทั้งหลาย จะไ ป, ไปกาหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจึงจะไปเจริญมากจึงจะไปเออจึงจะไปทํานิโรธให้ดับเพิ่งจะไปเจริญมากตายทําทั้งสี่นี้ทํางานเกี่ยวโยงกันพรอทุกเกิดขึ้นทราบว่าทุกเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นนั่นเป็นมร่านั่นค้นหาเหตุเหล่านั้นนั่นสติจองไปปัญญาพิจารณาลางไปนั่นมรทํางานแล้วนั่นนั่นค้นหาสมุทยัยตัวพาให้เกิดไม่เกิดเพราะอะไร พอทราบมันแล้วมันก็หนับนั่นน่ะนิโรธขึ้นมาในระยะเดียวกันเป็นลําดับลําดับไม่ใช่นิโรธจะดับทีเดียวนะจะค่อยดับไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นถอนลากแก้วมันจึงพวดทีเดียวนั้นดับข้อมูลนี่แหละสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนกันท่านแยกเวลาท่านแสดงนักแสดงเป็นอาการของมันเหมือนกับว่าทําอย่างนี้แล้วให้ทํางนั้นให้ทําอย่างนั้นแต่พูดไปปฏิบัติจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้พราะจอดไปทีเดียวนี้มันวิ่งไปถึงกันหมดถึงกันหมดสติปัฏฐานสี่ อริยฐันส่ถึงกันหมดอวิชชาเหมือนกันพออวิชชามันดับเท่านั้นหมดเชื้อดับแล้วสังขารก็มีแต่สังขารล้วนๆสังขารขันล้วนๆไม่มีสังขารเป็นตัวสมูทัยเพราะสมูทัยไม่มีถึงเรียกว่าขันล้วนๆวิญญาณก็ล้วนๆไปเสียสัมผัสกับสัมผัสประธรรมดารับทราบประธรรมดารุ่นๆล้วนๆ อะไรก็ดับพบเป็นชาติมันก็ดับเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็ดับพบดับชาติอะไรเรื่ อ, อยท่านก็บอกไปยังไงเข้าใจไหมท่านพระครูอธิบายวิชาบันนี้เข้าใจไหมเงิอนั่นล่ะอืมแต่ท่านก็เรียงลําดับไปให้รู้ <c oughs> ไม่อย่างนั้นจะสมภูมิศัสดา ย, ยัางไงต้องวางให้เใหล้ละวอเช่นอย่างมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่ทํางานเกี่ยวโยงกันไป <c oughs> เกี่ยวโยงกันไป <c oughs> เกี่ยวโยงกันไป ท่านก็อธิแก้ว่าอย่างละเอียดละออเราจะไปหาเรียงลำดับเอาอย่างงั้นตามเหมือนแบบเหมือนฉบับแผนนั้นไม่ได้การปฏิบัติมันกลินเกี่ยวโยงกันไปหมดเหมือนกันคำว่าขั้นไม่ใช่จะเป็นขั้นเหมือนขั้นบันได น, นะะนขั้นของกิจไม่ใช่เหมือนขั้นบันไดขึ้นขั้นนี้เราจะไปขึ้นขั้นนั้นจะไปขึ้นขั้นนั้นมันกเชื่อมโยงกันไปโดยลำดับลำดาลำดับลำดา มันมันรู้มันได้อย่างชัดเจนก็คือภาคราคะกามราคะรู้ชัดชัดเจนแต่ว่าขั้นก็ว่าเนี่ยมันรู้มันถอนของมันอย่างชัดเจนเออขาดแล้วทีนี้มันก็ชัดไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วกามราคะขาดมันก็รู้อะอวิชชาขาดรู้ เอางั้นเป็นขั้นก็ได้แล้มันรู้อยู่ในจิตอันดวงเดียวกันนั้นนะเอจะให้เป็นขั้นนู้นขั้นนี้ไม่ได้ว่าหรือนะะเลขันก็รู้อะไรมันยังเหลืออยู่ละเอียดมากน้อยอ ย, าอยา่างไรมันก็รู้พอขาดลงไปมันก็รู้เท่านั้นเองไม่รู้รู้อยู่แล้วจะว่าเป็นขั้นนั้นภูมินี้ไม่ได้ว่านี่ท่านก็เลี่ยมออกมาเพราะจอมปราดจะใครจะเกินพระพุทธเจ้าเลี้ยงมาไม่ให้สงสัยแต่จะให้ไปหลง น, นั้นเอาสิ่งนั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังยิ่งกว่าการปฏิบัติ ความหมายว่าอย่างนั้นนะอ น, นั้นเป็นสิ่งที่จะพูดไปตามเรื่องราวต่างหาขอให้เป็นไปในวงปฏิบัติตัวเองนี่เถอะอืเหมือนกับเรารับทานอาหารนี่แนหะรับทานลงไปเรื่อยกี่ช้อนก็ตามกี่ทับพีก็ตามกี่เปิบก็ตามเปิบลงไปกี่ปั้นกี่ลงไปเอาไปกี่คําลงไปก็ตามเถอะไอ้ความอิ่มขอมันความอร่อยของมันมันไม่มีชั้นมีภูมิอะไรเลยไปเรื่อยๆพอมันถึงที่แล้วเอาลงไปถ้ามาจากตา้ มันอิ่มมันก็รู้เองใช่ไหมล่ะมันก็พวกกัใส่น้ำเท่านั้นแหละพออิ่มนั้นนะมันก็หยุดเองในขั้นไหนที่นี่ใครไปกําหนดขั้นกฎมูงมันก็ได้ว่าอิ่มแล้วในขั้นอิ่มก็เอาเอาชื่อว่าขั้นอิ่มเสียเท่านั้นเองจว่อิ่มแล้วขั้นถึงเสียนั่นแหละทำมากก็เหมือนกันอย่างนั้นพราะอิ่มตัวมันก็รู้เองผมไปเห็นแต่ว่านอนหน้านี่ไปเห็นหมออะมาบวชนั่นเขาเขียนภาพ อวิชาโอ้ยวงเวียนกันอย่างนี้เลยเขียนภาพอวิชาทําเป็นลูกสอนอะไรยิ่งเลยหมดพอไปท่นจะคุณนคมท่านบอกนี่ดูอวิชัยท่านอาจารย์เนี่ยเขาเขียนภาพอวิชาไว้อ้ยผมไม่ดูเลยว่ะอวิชานี่ว่ะใครปฏิบัติอวิชาปฏิบัติแบบนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมก็ไม่รู้อวิชารลเว่ะอวิชาอยู่ที่ไหนนั้นเขียนอะไรใครเขียนได้ฟันลงไปตรงนี้สิ งั้อย่างนั้นเนอะไปอย่างนั้นแล้วอ่ะผมผมไม่ดูว่ามันเสียเวลาแล้วอ่ะบอกนี่เลยท่านท่านก็มองหน้าผมเหมือนกันผมก็เฉยนี่ผมพูดด้วยความอดหันผมไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดด้วยนะอความอาพูดด้วยความจริงนจะไปทํางนั้นมันก็จะไปหาเรียงลำดับวิชากัน น, นับคะแนงนับคะแนนนี้ไม่ทราบ <c oughs> จะทํำลายอะไรต่ออะไรที่มิจะนับขิงนับคะแนงแล้วตายที้งกรเป๋าไม่ได้เรื่องอะไรถูกร์ก็วิชาหลอกให้นับแขแนงมันไปเฉยแล้ววิชาจะหลอกให้ ให้เราฆ่ามันได้ยังไงมีแต่มันหลอกให้เอางี้จากตัวงมันถ้าทำลงไปแล้วเอาไปเถอะมันอยู่ตรงไหนฟาดมันลงไปเลยเวลากิเลสจะเกิดขึ้นมันไม่เห็นว่ามันกิเลสขั้นนั้นกิเลสภูมินี้นะมันไม่เห็นบอกเลยนะมันเกิดขึ้นมาตัวไหนมันเป็นกิเลสทั้งนั้นมันไม่เห็นเร่ยงลําดับลําดาไม่เห็นว่าใครมาก่อนมาหลังมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเกิดขึ้นตัวไหนก็ดีอะไรอาการอะไรก็ดีไม่เห็นเรียงลาดับเวลาจะปฏิบัติทําเพื่อฆากิเลสเราจะไปหาเรีองลำดับมันจะทันกันหรือาดลงไปอะ ชดๆตอนนั่ น, นจริงนะทำพระพุทธเจ้านะ่ะเหมือนกับว่านี้น้านี่น่ะหนี่น่ะหนี้น่ะเอาเงินมาดูเจ้าปริพันธ์กี่รอกี่พันปีก็ตามกี่องค์กี่ล้านองค์กี่ล้านปีก็ตามไม่ได้สําคัญอะไรกับมันความจริงอยู่กับเราทุกคนนี่นะ่ะท่านสอน ล, ลงมาสู่ความจริ ง, น, นะ น, นะงนี้น้า น, น, น, น, น, น, นี้น้าอยู่เงินน่ะแต่กิเลสมันดูน้ามันวากังนนะแต่ที่โดดที่โน่นเสียแม่เอานี่หน้าอย่างท่านบอกโน่นหน้าฟ้าหนึง ขากุดแขนขาดตลอกกวกเปิดไปตามมันเสียเห็นไหมที่เรียนหลอกสัดโลกมันหลอกงาย น, นิดเดียวเมื่อมันตรวจเวลานี่กำลังมันหลอกงานนิดเดียวนะแย้จิตตะนั้นอ่ะเอาแล้วหงายแล้วไม่ไม่เห็นหมัดมันเลยเหล่ะหงายเห็นแต่หงายหงายผึ่งลงไปแล้วถ้าว่าจิตเป็นนิพพานแล้วมันก็เป็นอารมณ์ของนิพพานเต็มตัว ถาจิตยังมันเป็นยุพาน์แต่จิตเป็นระยะธีจิตที่ว่างกว่ า, างนั่นมั น, ม, นมันก็เป็นกระแสะแห่งอารมณ์ของยุพานคเพรางเหมือนอย่างพระโสดาโสดาโสดาก็เป็นกระแสภาพถึงถึงแล้วความหมายว่างนั้นคือจิตเวลามันว่างแต่จิตยังมไม่ได้ว่างในตัวเองคือจริงเป็นขั้นหนึ่งขั้นนะยังผิดว่าอย่างหนึ่งคือว่างในะขณะที่จิตกล้าเข้าสู่ความสงบเต็มที่ของตัวเอง ขนาดที่เป็นสมาธิเต็มที่หรือรวมเต็มที่ก็ว่างพอถอนดอกกสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ว่างมันก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆทีนี้พอจิตเข้าถึงขั้นว่างในตัวขั้นว่างมันจริงนะมันก็ว่างไปหมดอืมมองดูต้นไม้ภูเขาดูมองดูตานี่เห็นเป็นรางๆแ ต, แต่จิตที่มันทะลุไปหมด มองดูตมมันกระทลุไปเลยกรทลุลงมันว่างไปหมดมันเห็นแต่ตานี่เห็นไปเพรเป็นเงาเง า, เงาลางๆเท่านั้นเช่นอย่างมองดูสลาทั้งหลังนี่มันก็เป็นเพียงลางๆเป็นเหมือนกับเงาแต่ว่าจิตความว่างของจิตนี่มันพุ่งทะลุไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าว่างตามฐานของจิตแต่ในจิตตัวเองยังไม่ว่างจากตัวเองนั่นนี่พอพอมันเวลาสุดท้ายตัวนี้มันก็ว่างแต่ตัวเองนี่คือเหมือนกับเรา เอาท่านเราจะสมมตินะเรามองดูในห้องนี้มันว่างเราเข้าไปอยู่ในห้องนี้เราไปดูห้องนี้โอ้ห้องนี้ว่างแต่เรายังกีดขวางห้องอยู่ไปยืนอยู่กลางห้องเรายังไม่ว่างนี่คือว่ากจีดนมองดูอะไรๆมันว่างหมดแต่ตัวของกิดเองยังไม่ว่างตัวเองคือยังไม่ปล่อยไม่วางตัวเองมันก็ว่างห้องว่างแต่คนคนนั้น้องไปขวางอยู่ในห้องแล้วมีอีกความรู้นหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับว่าเหมือนกับมีคนหนึ่งมาบอก ถ้าห้องมันว่างว่างอะไรมันยังไม่ว่างคุณไปยืนกวางมันอยู่นั่นแหะคุณอยากให้มันห้องนี้ว่างคุณก็ต้องออกมาที่พอออกมาแล้วห้องมันก็ว่างมีพอถอนอุทานความยึดมั่นในจิตที่ออกถึงท่านท่านมันก็ว่างบมที่จึงมาว่างในหลักธรรมชาติว่างโดยสมบูรณ์เข้าใจเหรือมันว่างสามว่างเท่าที่ได้พิจารณาเปลี่ยนกันนะคือสมาธิเวลามันเข้ามันใจพิจิตติก็ว่างหมดไม่เกี่ยวข้อขาออะไรเลยพอถึงขั้นความว่างของจิตมันก็ว่างอย่างว่านี้ มองดูอะไรมันว่างไปหมดเลยง่ายสุดล่างกายของเรานี่มันก็ว่างถ้ามองดูอยงนี้มันก็เป็นเป็นงาๆกันฮึใช่อืมพอพอออกอย่างนี้แล้วมันก็ว่างไปหมดเลยว่างทั้งตัวจิตเองว่างทั้งอะไรไปหมดเลยว่างว่างใลักธรรมชาติ สตโโลไอ้สุญญโลกลงเวทัดถือโมคะราิสิลาตัวหน่งูนโมฆขราตเนต้นพิญาที่ฉันาโลกโดยขอว่างจาือว่างนั่นมาลรวจะเข้าถึงว er. ่างภารกิจคือว่างว่างจ๋านี้มันอว่ามันไม่มีสารอะไรพที่วไปถือไปหลงมันนานาความหมายว่างนั้นเพื่อให้ปล่อยนั้นเข้ามาเพราแบบเข้ามาแล้วแต่นั่นมาเมาว่างในตัวเองคุณสอนท่านพูดดีเป็นชิปปะพญญากับ ท่านทำวิญญาณมันก็ต่างกันคนจะหยิบยกทำมาอันใดให้ท่านก็ไม่มีใครจะลาดเกินพระพุทธเจ้าคนที้สแสดงยอดทำให้สจิตนี้จะเข้าสู่ยอดจิตแล้วถ้ามาสายสุนเดียวไปเลยทุกครับทุกครัพวกทิพย์ ป, ปัญญาล้วนเร็วดือพวกอุกติกันอยู่วิปยีมือพวกรวดเร็วนานเรายังไม่เข้าใจท่า น, นเข้าใจแล้วผ่านไปแล้ว ก็เหมือนอย่างที่เราเรียนหนังสือในห้องเรียนนั่นเนี wow okay, ่ยเวลาอธิบายนี่ครูอธิบายนี่ผู้มีความถนัดมันเข้าใจแล้วไอ้พูดที่นั่นยังยุ่งอนั่นแหะให้ครูอธิบายแล้วอธิบายแล้วไอ้ผู้ที่เข้าใจแล้วจนลาคานคุณง่ายงายเนี่ยผูนั้นยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้แหละเท่าเท่าคนนี่คือกังเรื่องวงกว้างวงแคบของการพิจารณานั้นมันรู้ของมันมันพอตัวของมันแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา นี่อันนี้ก่อนแ้่ที่สุดเข้ามาสูร่ร่างกายนี้พิจารณาร่างกายนี้มันก็รู้ของมันนอกจากรู้ของมันนี้แล้วมันยังปล่อยของมันเช่นอย่างภาพข้างนอกนี่ก็เห็นได้ชัดปล่อยของมันไปแล้วยงังมีภาพข้างในขึ่งภายในจิตโดยอาศัยอันนี้อาศัยร่างกายนี้ไปเป็นภาพอยู่ภาใยนาพาพในกําหนดพิจารณาภาพภายในก็จนมาะทั่งว่างไปหมดที่นี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหะจิตมันว่างในตามฐานของมันมันว่างออตรงนั้นนี่นี่สี่ มีถ้าหากว่าได้เคยพิจารณาด้วยกันไม่รู้ด้วยกันพูดนี้มันก็มีปัญหาเนี่ยทําทํายังไม่เป็นมันมันก็เป็นปัญหาให้มันยังข้ามมันแหละอย่างที่ท่านพูดมีของมันกัาไม่ถามใครก็จํำมาแต่เงื่อนที่ว่านี่เราก็แล้วกันไปพิจารณาตัวเองนะจำบาเงื่อนที่ผมอธิบายให้ฟังนี่ไปพิจารณาตัวเอง ตอบที่จะมีผลสมบูรณ์ก็มีการตอบจะทําให้เกิดแง่สงสัยมันก็มีเพราะฉะนั้นการตอบมันต้องระวังเพราะจิตมันยังไม่ถึงขั้นที่จะยอมรับมันก็มันก็เป็นมันอยู่นั้นแหละมันก็คาดไปอีกของมันเนี่ยพอถึงพอถึงขั้นมันยอมรับแล้วที่พูดไปทั้งหมดนี้มันจะยอมรับเรื่อยไปเลยยอมรับยอมรับเลยเพราะมันถึงระยะใดมันก็ยอมรับระยะนั้นไปเลยเลย คือยอมรับเป็นขั้นขั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ายอมรับอาหมดยอมรับเป็นขั้นขั้นไปก็ขั้นถึงขั้นมันหมดยอมรับหมดมันก็ยอมรับหมดการตอบปัญหาแลมันโอ้มันมีหลายแง่กระทุง่งบางทีถามมาปั้มมันขึ้นปุ๊บเนี่คือขึ้นนั้นมันขึ้นร้อยเอร์เซ็นเลยแต่ที่จะแยกแยะไปตอบให้ผู้ฟังจะได้ประโยชน์มากน้อยถึงไรยังต้องมาแยกมาแยก ป, ปัญหาอีก ควรจะได้ประโยชน์แค่ไหนก็ออกแค่นั้นสมมตอว่าออกร้อเซ็นนี่ควรจะได้เก้าสิเปอร์ซ็นก็ออกเก้าสิบปอร์เ็นควรจะเข้าใจทั้งร้อยก็ฟาดออกทั้งร้อยเลยควรจะเข้าใจแค่ห้าสิบก็ออกเพียงห้าสิบอร์ซถ้าจ ะ, จะไม่ไม่ไม่น่าจะเข้าใจเลยก็ก็ไม่ตอบคือมันมุ่งเหตุผลอันนั้นมากกว่า การปฏิบัตินี้มันอาจฐานนะรูปตรงไหนมันอาจฐานเป็นลำดับธรดาแล้วไม่ลืมด้วยนะเพราะอันนี้เป็นวงสัจธรรมมันลืมได้งไงมันก็ตรงกับจิตพระเนเกเสงกับพยญาววดินถามกันนะ <c oughs> ถามที่ว่าพระารทท่า น, านยังมีหลงมีลืมอยู่เหมือนคนทั้งหลายไหมหอมีหลวงลืมในสิ่งที่ควหลงลืมจาได้ในสิ่งที่ควรจาได้ นี่เรสรุกออกมาเลยนั่นเนี่ยเช่นอะไรเช่นจำบ้านจำเมืองจำชื่อจำเสียงจำสูตรจำคำภีใบล้าน อ, าอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจำหน้ามันก็ลืมได้หรือหน้าลืมไ ด, มได้แต่สิ่งที่ไม่ลืมแนละ้วคืออะไรคืออริยศาสตร์นักอริยศาสตร์ไม่ลืมไหนนั่นคือมันความจริงมันประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรมาลืมเนี่ รูกัรู้ความจริงอยู่นี่เนยมันก็จะลืมอะไรความจริงต่อความจริงรู้กันมันจะลืมอะไรเนี่ยเพราะมันอยู่กับตัวกัอยู่กับใจเนี่ยท่านพูดหาที่ข้าไม่ได้เลยนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเรื่องวงจัจะทํานี่มันหม่ายแยมอยู่นั่นเพราะมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเป็นหินลับกันกระทูกหรืออยู่ด้วยกันด้วยอะไรด้วยความเคยชินกันก็โถยพูดอะไรก็พูดเยอยๆกันแยกมาเป็นสมมงวดแล้ว มันจริงก่อจริงอยู่ด้วยกันคนง่ายๆนาอก็จะไม่ทราบจะหลงจะลืมกันอะไรไม่ใช่จริงกับปลอม <c oughs> มันว่างจริงละ่ะจิบผมนี่ <c oughs> เดี๋อว่าเวลาว่างเวว่างอะไก็มันก็ฟิตข้ามันอยู่ในนั้นละ่ะ มันนั่งมีอารมณ์อันหนึ่งที่มันพิจารณามันฝึกมันซ้อมของมันอยู่นะนั่นไม่ว่าหมดมันไปมันก็มีของมันที่อยู่เอาของมันฝึกซ้อมไปโดยลำดับธรรดานอย่างแต่ก่อนเราพิจารณาสุภาพนี่นะเวลาสุภาพมันกล้าทางด้านปัญญานี่มองเห็นคนนี่มัน ไม่ว่าหญิงว่าชายมันทะลุไปทันทีเราก้าวไปเพียงสามก้าวนี้มันสามารถพิจารณารอบไปถึงห้ารอบโดยหลักธรรมชาติของมันที่มันรวดเร็วนั่นซึ่งเราไม่เคยเป็นมันก็เป็นของมันเมื่อมันคล่องตัวมันมองดูภาพนี้มันวิ่งมันวิ่งพุบเข้าไปเลยมันไม่ได้อยู่นอกๆเลยนะพุบพับเข้าไปทะลุเหมือนกราได้ห้ารอบแล้วก้าวท้าไปจะได้เพียงสามก้าวนั้นไปห้ารอบแล้ว แม่งั้นมันก็ปล่อยไม่ได้อย่างว่านะมันไม่ถึงขนาดเรียงไกลในปัญญาขั้นนี้พอจากนั้นแล้วมันก็กว่างส่วนรูปแบบหยาบมันก็ยะว่างหมดนันก็มีภาพอันนั้นอ่ะก็มาปรุงภาพภายในขึ้นมากำหนดนั่นมันก็มันก็ดับแล้วมันขึ้นมามันก็ดับเป็นภาพภายในปิด พออันนี้ดับไปหมดแล้วมันก็เป็นเหมือนอะไรแสงีห้อยภา พ, พอปรุงมาเป็นภาพภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่เราจะเอาสอุภาพมาพิจารณาอย่างที่ว่าไม่ได้เลยที่นี่นะนลองดูดิพอตั้งกันมาจะเอาอะไรเป็นอสุภาพอมันตั้งขึ้นมาภาพมันดับพร้อมไปแล้วเอาอะไรมาเป็นสุภาพได้ทั้งทังที่ก่อนอสุภาพมันเก่งของมันนะอืมสุภาพก็ต้องอาศัยรูปนั่นแหละเป็นอสุภาพนะแต่ที่นี้พอมันหมดจากขั้นนั้นแล้ว คามปรุงขึ้นภาพมันจะดับพุบไปเลยทันทีจะแยกอะไรไม่ทันแหละเหมือนกับแสงยิงห้อยหรือฟ้าแมบเนี่ยภาพขึ้นมาเป็นภาพแล้วดับเป็นพร้อมกันเลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งหมดเ่าไว้ไม่อยู่จะกลางเอาไว้เห็นอย่างตะกอนไม่ได้พอปรากฏคืาภาพมันดับพุบดับพุบกับพุบมันก็มีเสียงเสียงยับแยบแยบเหมือนฟ้าแม่ที่ภายในจิตเป็นภาพออกมามันก็สุดซ่อกันอยู่นั่นสุดท้ายกับแยบแยบมาจากไหนเนี่ยมันก็ลงเข้าไปตรงนี้มาจากไหนมันก็ย้วนเข้าไปย้อนเข้าไปถึงจิต จนกรทั่งมันไปทําลายกันในนั้นจนแล้วมันก็ปัญหาเงานี้ก็ไม่ตื่นสังขารก็ปรุงได้แต่มันไม่ตื่นที่นี่ถึงมันจะว่างก็ไม่ตื่นไม่ว่างก็ไม่ตื่นมันคิดคิดอะไรึ้นมาภาพก็รูปมันคิดที่มันก็ดำมันเสียมันก็ไม่ตื่นเสียลงมันตื่นมันมีนี่ก็เล่นในภาพนี่นั่นก็คือกําลังนั้นมันยังไม่มันยังไม่รอบมันก็เอานั่นเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิต มันเหมือนกับเป็นตุ๊กตาเนี่ยแหละเล่นเครื่องเล่นของจิตเพราะมันพอมันแล้วมันก็ปล่อยถึงจะมีภาพขึ้นมามันก็รู้มไม่ตื่นเสีย้ย ม, มันรู้้อง๋อลึกลับมากนะจิตเนี่ยจิตก็พี่เหลีงนี่ลึกรับมากเราอยากว่าพอๆกันแล้วม่อยากว่าอะไรอื่นนะอยากว่าพอๆกันความลึกลับ ของทำความลึกลับของกิเลสนี้พอพอกันแต่ถึงถึงวาอยู่ในวาระที่กิเลสมันมันตอกหน้า อ, อาตาเนี้ก็แหมมีเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวทําถ้าอยากไม่ได้ถูกมันปัดทีเดียวโอ้ยตกเวทีกิ้งนี่พอหมุนทำเข้าไปหมุนทาเข้าไปหลายครั้งแล้วหมุนเข้าไปก็ถูกปัดกิเลสตกลงไปกลิ้งไปเหมือนกันนี่ พอทำได้ออกทำหน้าที่แล้วที่นี้เอากิเลสเข้ามาในเวทีไม่ได้ตกเลยตกเลยอนะไนั่นฉะน้นเราเดี๋ค้นหามันก่อนค้นหาทำก็ไม่เจอมีแต่กิเลสหยุดบนเวทีเต็มหมดต่อมาก็ค้นหากิเลสก็ไม่เจอกิเลสตกเวทีมีแต่ทำเต็มเวทีนั่นเจอตรงไหนใส่กันเปี้ยงลงตูมเลยตูมเลยเจอไม่ได้เจอต้องพังเลยเนะี่ยน สติปัญญาขั้นนั้นเป็นขั้นที่ถอยไม่ได้ว่างั้นเถอะนะขั้นที่เกลี่ยไกลที่สุดกล้าหาญที่สุดอมันมันมันมีวาระเหมือนกันเวลาทำเปิดเผยเปิดเผยเต็มที่เวลาขี้เหร่เปิดเผยก็เปิดเผยเต็มที่ของมันแสดงสุดเหี่ยงของมันนั่นแหละทำก็สุดเบี่ยงของทำทำเครื่องต่อสู้กันนะคืนมักกับสมุไทยต่อสู้กันเวลามากมีกําลังก็ นีแก็ทำบนเวทีมีแสติปัญญาบนหัวใจเต็มหัวใจเลยยีเดีก็หมอะยีเดียรหมาะอะไรยีเดียมันฉลาดมันหลบมันซ่อน ค, นคุยเขี่ยหางานคุ้ยเขี่ยก็เป็นงานอันหนึ่งการคุยเขี่ยเป็นงานเจอเพื่อก็เอาละเจองานแล้วอใส่เตียง <laughs> อร่อยอย่างนี้นะเลือกกันะ